สีเขียวมีเกล็ดเป็นอัญมณีสวยงามมากค่ะแล้วก็เราก็หยุดท่านก็บอกมอนเหมือนมารออะค่ะมารอเสร็จท่านจะเห็นเราเดินมาก็เหมือนเลื้อยแล้วก็ชูอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าในฝันก็แบบ อ, อุ้ยเหมือนมักอาดมากเลยพูดบอกว่าพูดกับท่านะค่ะบอกเรามาปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยท่านก็เงี้ยแล้วก็บอกเรา